เนื่องเพราะเราถือเอาพวกเขาเป็นที่เยอะอ่างหรือสายตาของพวกเราคลาดเคลื่อนไปจากพวกเขาแท้จริงนั่นคือความจริงจะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนากด้วยกัน จ ال งกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลอผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตรบบ ز ز พระผู้อภิบาลแห่งบรร ด, ดาชั้นฟ้าและแผ่นบิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือผู้สรงอำนาจผู้ทรงรักการอาภัยจ้องกล่าวเถิดมว่าหมัดวันนี่คือข่าวสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าผิดหลังให้กระปันฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมาลัยกา อิยูฮาอิเลียอิลล่านมาอานาดีรุมบิญเพราะไม่ได้มีองค์การแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่า น, นั้นอิบกาลรับบุคลิลมาอิกะอินนีข้าลกุบะชรัมมิน จงรำลึกถึงเมื่อพระผู้พิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลลย์กาว่าแท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินคืออาดัมอะไลสลาดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาดังนั้นพวกเจ้าจงก้มครวะต่อเขาเถิด ลาเมเลกาหมวนก็ได้ก้มลงคารวะนอกจากอิบลิสมันยิงยาโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป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 มันกล่าวว่าฉันดีกว่าเขาเพราะองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากดินพระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่เพราะแท้จริง เจ้าเป็นผู้ถูกสาบแช่นว่าอลนาจดีและแท้จริงการสาบแช่งของข่าจงประสบกับเจ้าจงกระทั่งวันแห่งการตอบแทนบตมันกล่าวว่าโอ้พระพอภิบาลของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉัน จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองตรัสว่าดังนั้นแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วมันกล่าวว่า ดังนั้นด้วยพระเดชาลูปภาพของพระองค์ท่านแน่นอนฉันก็จะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดเว้นแต่พวกเบาของพรลงในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น ال พระองค์ตรัสว่าดังนั้นมันเป็นความจริงและข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้น م م แน่นอนข้าแจนรกนั้นเต็มไปด้วยเจ้าและจากผู้ที่เชื่อฟังเจ้าในหมู่พวกเขาทั้งหมดุดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า